พระธรรมเทศนาแผ่นที่68ดลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่3กุมภาพันธ์ 2,558 มีชื่อเรื่องว่าโลกจะสุขีเพราะมีศีลคุ้มครอง วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ข่้าำเดือนสามแต่ไม่จริงถ้าหากว่าไม่ใช่แ2ดสองโหนะก็วันนี้เป็นวันมาคาบูชาแต่นี้เป็นปีนี้เป็น8 2สองโหงนะคณะทาญาิโยมลูกหลานก็นเลยไปเป็นที่วันที่สี่ที่ห้ามีนาอีกจากนี้เป็นหนึ่งเดือนจะเป็นวันมาค้าบูชา วันนี้ถือว่าเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระที่พวกเราจะได้ทำพิธีไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ผู้ที่จะรักษาอุโบสถศีลก็ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานเองนะวาวันนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดเพราะเป็นวันพระใหญ่แล้วก็ผู้ที่มาวัดธรรมดามาร่วมงานมา ตักบาทอย่างน้อยก็มีศินห้าเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะให้ศินห้านะสินหักเป็นศินห้าแต่ผูดที่จะรักษาโสดศรีก็ยัค่อยตั้งจิตนธิฐานสมาทานศินตอบตนเองก็ได้เพราะไม่ไม่จำเป็นจะต้องรับหรอเรื่องศินถ้าเรารู้เรื่องศินแล้วแล้วนะเรื่องศินไม่ต้องรับ เพียงต่ว่าสมาทานตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐาน่าจะรักษาสินนะันเป็นสินแล้วแต่อย่าให้โกหกตัวเองเมื่อตั้งสัตว์แล้วก็ต้องรักษาให้ได้ น, นี่เป็นสินตลอดแต่ถ้าวาพวกเราถึงจะสมาทานถึงจะรับสินพูดไปอยากหลวงพ่อไปก็เถอะนะแต่ทาไมรักษา ก็ไม่เป็นศีลเหมือนเก่าเพราะว่าเราพูดไปเฉยๆไ ม, ไ, ไม่ได้รักษาศีลก็ขาดแต่ถ้าเราไม่ได้มารับจากหลวงพ่อแต่เราพึ่งวันพระเราตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าเออวันที่เป็นวันพระข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถหรือรักษาศีลห้าตั้งแต่เราตื่นเช้ามาตั้งแต่เราไหว้พระตอนเช้า เป็นศีลและเริ่มรักษาศีลและท่นั้นเนี่ยแหละเป็นศีลมาตั้งแต่ที่เราตั้งเจิตจัดสัจจะเรียกว่าตั้งอธิษฐานนะเจตนาหังนพิเกเขเวกรรมมังวดามิเจตนาเป็นหลักท่านมาเจตนาเป็นหลักให้พวกเรารักษาศีลพราะนั้นการใช้ธรรมทานศีลถึงจะไม่ได้มาวัดของหลวงพ่อรักษาศีลถ้ามีความจําเป็น เราอยู่ในบ้านไม่ได้มาวัดเรารักษาศีลเอสมาทานศีลอยู่ในบ้านก็ได้นแต่ถ้ามาสมาทานศีลในวัดนจะดีกว่าเพราะเราได้กราบพระไหว้พระครูบาอาจารย์เป็นสกีพยานอันนี้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งเพื่อ <c oughs> ความหนักแน่นขึ้นในใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยมาวัดเลย <c oughs> ห่างเหินไปเรื่อยๆผลในสุดก็เลยเลื่อนล่าง เจือนจางหายไปเรื่อยๆ เ, เพราะอะไรเพราะใจของเรามันไม่ใช่ใจมาตรฐานะมันยังเป็นใจเลื่อนลอยอยู่มันต้องปลูกศรัทธาหาศรัทธาปลูกซะก่อนมันยังค่อยมีศรัทธาขึ้นมาและยังค่อยประกอบคุณงามความดีแต่ว่าเรามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วนะไม่มีปัญหาทนะ <c oughs> นี้เมื่อเรายังศรัทธายังคอนแคลนอยู่เราก็จะต้องมาวัดวาศาสนา กราบพระสงค์กราบพระพุทธปฏิมาแล้วก็สมาทานศีนกลกับครูบาอาจารย์เป็นบางครั้ง <c oughs> ต่อนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลนะทานี้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โภคสัมปท า, า, ามะพันเตสีเลนะนิพูติยันติตัสมาสีลังวิโสธาเยสัทโวันนี้เป็นวันที่สามกุมภ า, าพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาม ถ้าหากว่าปีที่ไม่ใช่8สองหดก็เป็นวันนี้แหละเป็นวันมาฆบูชาแต่ปีนี้เป็น8สองหดแต่หลวงพ่อยังคิดอยู่นะคณาธาญาติโจมถ้ า, าว่าศาลาข้างในเสร็จใช้งานได้หลวงพ่อยังคิดหลวงพ่อกล่าวเป็นเกินๆไว้ก่อนให้พวกเราได้รับ ร, รู้รับทราบว่าวันมาฆบูชา ทวงจะเป็นวันที่สี่แลวันที่ห้าหลวงพ่อก็ไม่ไม่มั่นใจอีกแต่ว่าจากนี้ไปนหนึ่งเดือนอาจากนี้ไปนหนึ่งเดือนเป็นวันมาฆบูชาแต่วันนั้นหลวงพ่ออาจจะนะอาจจะนะแต่คอ่คอยฟังดูพองฟังดูการงานที่ทางต่อเติมศาลาข้างในเสร็จไหมถ้าเสร็จหลวงพ่อจะคิดว่าจะประกาศให้คณะสัตย า, ญญาติโยม ทำบุญหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณของวัดเพราะว่าวัดของเราได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีสองสมาถึงปีห8ปีนี้นับรูสิมักี่ปีแล้วก็ศรัทธาญาติโยมโลูกหลานที่มาร่วมแรงร่วมใจเรื่องกำลังช่วยกำลังช่วยกำลังซั์ ช่วยกำลังสติปัญญามีมากที่ก่อนที่จะเป็นวัดนี้ขึ้นมาได้เพราะนั้นบางท่านบางคนก็ได้ล้มหายตายจากไปก่อนพวกเราพวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบายพวกเราควรจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้หนึ่งปีน่าจะมีครั้งหนึ่งเพราะนั้นหลวงพ่อเองคิดว่าจะพานนาคณะสัตย า, าติโยมทําบุญแบบเรียบง่าย ในวันมาฆบูชาที่จะถึงเนี่หนึ่งเดือดจากนี้ไปแต่คอยฟังคอยฟังแต่หลวงพ่อยังไม่ได้พูดชัดเจนนะเพราะว่าเราต่อเติมศาลาข้างในมันยังละเกะละกะอยู่ถ้างานยังไม่เสร็จเราทำไปก็ดูดูแล้วก็คงจะไม่ไม่เรียบร้อยนะเพรา ะ, ะนั้นคอยฟัง วันนี้เป็นวันพระอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วกัพระสงฆ์ทั้งหลายวันนี้เป็นวันอุโบสถนือย่าลืมเที่ยงวันนี้พวกเราจะได้ลงอุโบสถตามปกติเป็นวันอุโบสถวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำตอนเที่ยงพวกพระสงฆ์จะได้ลงโบสถวันนี้เป็นวันตอนเช้าหลวงพ่อก็ให้คณะทศไทยญาติโยม ได้สมาทานศีลห้าเป็นพื้นฐานเพราะศีลห้าเนะี่ยเป็นศีลของคณะทศไทญาติโยมเป็นศีลอุบาสกอุบาสิ ก, กาเป็นศีลพื้นฐานในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดมีศีลห้าและปิดอบายพภูมิไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นสัตว์ติรฉานไปตกในไม่ตกไปในทางที่ชั่วนะพูดง่ายๆ ถ้าเขาบอกผู้มีศีลห้าไม่ติดคุกไม่ติดตารางพูดอย่างนั้นได้แต่ผู้มีศีลห้าเพราะเหตเพราะว่าศีลห้านี่เป็นศีลคุ้มครองสําหรับอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาเรื่องคนุณนธรรมศีลนนธรรมจริยธรรมเพราะวันนี้หลวงพ่อเป็นวันพระหลวงพ่อจะพูดเรื่องศีลนะ จะพูดเรื่องสินแนะนำคุณค่าของสินประโยชน์ของสินบุญกุศลที่ได้รับจากการรักษาสินมีอะไรอย่างไงอย่างเมื่อล ง, ลงอุโบสถเสร็จหลวงพ่อจะพูดแนะนำเรื่องสินสองีของพระสงฆ์แต่ตอนเช้าอย่างนี้หลวงพ่อจะแนะนำเรื่องสินห้าสำหรับคำนัดัทธาญาติโยมผู้ที่ มิสสมาทานสินห้านะเป็นยังไงคุณค่าของศินเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในม้วนศินห้านะว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติอให้เข้าว่าสีเลนะอสุขติงยันติ ผู้จะไปสู่สุกติได้เพราะสินสีเลนโพกสัมปทาผู้จะมีโพคะสมบัติได้ก็อั น, นส่งแห่งสินสีเลนนิพุติยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้ก็ด้วยอนนสงสินเพราะนั้นสินพวกเราอย่าไปมองข้ามสินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นสินคุ้งของโลกทำให้โลก ร่มเย็นเป็นสุขมาตั้งแต่ดึกดําบันถ้าโลกทั้งโลกขาดศีลห้าไม่มีศีลห้าไม่ให้คุณค่าของศีลห้าทุกคนล่วงละเมิดศีลห้าโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่โลกทั้งโล ก, กเรียกร้องหาศีลธรรมเรียกร้องหาความเป็นธรรมทั้งที่ตัวเองไปทำความชั่วชาชั่วช้าเสียหาย มากมายหลายหลยอยา่างแต่พอขึ้นไปถึงสารสารยุติธรรมพูดเป็นกลางใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกอันนี้ขึ้นไปสารพอขึ้นไปถึงสารเนี่ยขนาดตัวเองทำชั่วช้าเสียหายมากต่อมากก็ขึ้นไปก็ขอความเป็นธรรมฮะให้ว่าความเป็นธรรมจุดนี้เนะ น, นี่ยอันไหนคือความเป็นธรรมทั้งทาตัวเองก็ทํำความชั่วแล้ทจึง เจ็ดเด็กทึ้งย <manas? S 1> ังไงถึงขาวนั้นคือมาแล้วเขขอความเป็นธรรมความเป็นธรรมเนี่ยก็คือความไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคือความยุติธรรมเห็นใจเขาเห็นใจเราถ้าเราไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นอย PTSD ่ย fahren, <confirms. S 2> าไปทําให้คนอื่นเขาเอเมื่อเราไปทําให้คนอื่นเขาถ้าว่าเขามาทําให้กับเรา เขาก็เป็นคนผิดเนะี่ยเมื่อเขาเป็นคนผิดเนะี่ยเราก็ต้องพูดตามผิดตามคดีความตามกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่นะแต่ข้อสําคัญเราเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่มันทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราอย่าไปทําไปฆ่าคนอื่นเขาเมื่อไปฆ่าเขาเขาเสียอกเสียใจเอไปขโมยของเขาเขาก็เสียอกเสียใจ ไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับพูกสามีภรรยาคนอื่นเขาเขาก็เสียใจยไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจยเมื่อเราดื่มสุราขาดสติเมื่อขาดสติแล้วไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรในเมื่อขาดสตินี่ไม่ใช่แต่เหล้านะคันช่ายยาฝิ่นเฮโรอี น, นยาบ้าย า, ม, าม้마มีเยอะแยะทุกวันนี้ สรุปแล้วก็คือยาเสพติดที่ทําให้จิตใจสมองปั่นป่วนทําให้จิตใจสมองของเราเลื่อนล่างขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเหมือนกับคนเป็นบ้ามันยับยั้งอะไรไม่อยู่เพราะว่าถ้าหาว่าบ้านคนใดมีนิสัยเกเรมีนิสัยดุร้ายเห็นใครก็นัานเอจะต้อง เป็นพิษเป็นภัยเป็นอริสตรูทั้งหมดท่าบ้าประเภทนั้นแวก็เราก็ต้องจับมัดเอาเข้าไปกงขังเอาไว้ล่ะพอปล่อยมาะะเดี๋ยวมันจะฆ่าคู่ฆ่าคนฆ่าใครต่อใคร น, นั่นแหละคือคนขาดสติคนดื่มสุราค็เหมือนกันถ้านนิสัยมีนิสัยเกเรนิสัยไม่ดีอยู่แล้วนิสัยดุร้ายอยู่แล้วนะพอดื่มสุราเข้าไปก็ยิ่งเสริมพอเสริมเข้าไปก็เป็นคนดุร้าย ฆ่าใครก็ได้ขาดการยับยั้งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆเพราะอะไรเพราะคนรื่มละขาดเมื่อขาดสติแล้วขาดการยับยั้งนี่แหละอันนี้ก็คือศินของพระพุทธเจ้าสินห้าที่พวกเราได้สมาทานไปเนี่ยคือคุณค่าประโยชน์ของศินและก็คุ้มครองในปัจจุบันอนาคตเมื่อเรา ลมหายตายจากไปแล้วศิลทั้งหลายจะคุ้มครองพวกเราไม่ให้พวกเร า, เาไปตกนรกหรือว่าเกิดพบหน้าชาติหน้าสินชนนี้ก็คุ้มครองไปอีกเราไปเกิดนสถานที่ใดอันนี้สงศินคุ้มครองอไปอยู่นสถานที่ใดไม่มีใครที่จะมาลังแกเบียดเบียนคิดจะฆ่าเราไม่มีใครคิดจะขโมยเราไม่มีใครจะพิษ ลาลาประโรงสามีภรรยาลูกหลานของเราลูกหลานของเราก็อยู่ในโอวาทพ่อให้เราเพ่อใหญ่พาะเรามีศีลคุ้มครองในอดีตเราก็ไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาอีกเขาก็ไม่ต้มตุนหลอกลวงเราเป็นคนชื่อสัตว์นี่แหละและ้วสติปัญญาของเราก็ปกติเรียนหนังสือคิดอ่านพูดยาพาทีอะไรก็เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลาย ในอนาคตนะเพราะฉะนั้นศิลป์ในปัจจุบันเนี่ยกุ้มคล้องพอไปในตายไปแล้วศิลก็ยังคุ้มคลองไปตกไ ป, ไปในที่ชั่วเมื่อเกิดขึ้นมาพบหน้าชาติหน้าศิล น, นี่ก็คุ้มครองไปอีกนี่แหละศิลป์ที่พวกเราจะรักษานี่คุ้มครองไปนานเท่านานคุณงามความดีคุ้มครองไปนานเท่านานแต่ถ้าเราไม่มีศิลปนะ์ะที อยู่ในภพนี้ชาตินี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เถอะไปนสถานที่ใดไอ้นี้แหละเป็นคนขโมยอผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนขโมยใครใครก็หวาดระแวงกันไปหมดอต่อใบกันนี่แหละคนนี้ไม่น่าไว้ใจนะมันมีอาวุธนะอะมันจะฆ่าใครก็ไม่รู้นะเป็นยังไงในชุมชนสังคมของพวกเราเราก็ต้องระวังระแวงกันเพราะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าถ้า พวกเราได้ศึกษาดีแล้วศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกให้ความร่มเย็นเป็นสุขจริงจริงเพราะนั้นที่จะรักษาศีลห้านั้นเนี่ยจาะศีลธรรมเจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจนั้นจะใครอยาให้ใครเป็นผู้รักษาต้องแต่นับหนึ่งจากข้าพเจ้านับนึงจากพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละพวกนั่งฟังอยู่นี่แหละ เมื่อเราได้กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเราเชื่อมั่นว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์มีคุณค่าจริงข้าพเจ้าจะนับหนึ่งจะข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับสมาทานศีลถึงไม่ได้ทุกวันก็เถอะข้าพเจ้าจะสำรวมระวังในเมื่อข้าพเจ้าได้รู้คุณค่าประโยชน์ของศีลแล้วนี่แหละ ขอให้พวกเราคณะสัตยาญาิโยมทุกๆท่านนะแต่เป็นผู้มีศีลแล้วจะไม่ทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ความชั่วจะเข้ามาได้อย่างไรคุกตารางก็ไม่มีไปนัสถานที่ใดก็เป็นที่เชิดชูบูชาเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้มีศีลและธรรมศีลแลธรรมมีอยู่ประจำกายวาจาของพวกเราแล้วนั่นแหละ <c oughs> เออ ไปนะสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเป็นันดับแรกอันนี้คือศีลศีลธรรมคำว่าธรรมคำนี้ก็คือคุณธรรมในจิตใจในเมื่อมีคุณธรรมในจิตใจมองเขามองเราเออครอยๆว่าสิ่งนี้ไหนที่มันไม่มันชั่วมันไม่ไม่ควรจะทำเราก็ห้ามจิตใจของเราไม่ควรจะทำในเรื่องนั้นๆ ในเมื่อเรารู้ว่าเออมันผิดจริยธรรมจริยธรรมมันผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศริยธรรมเราก็พยายามงดห้ามสิ่งนั้นไม่ให้ทําเราจะไม่ทําในสิ่งที่มันไม่ทุกถ้าเมื่อเราทําลงไปแล้วคนทั้งหลายก็จะเดือดร้อนและไม่สบายใจกับการกระทําของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่ทุ ก, ท ก, ท ก, ทกเรานะ ขนาดหลวงพ่อเองหลวงพ่ อ, อขนาดเป็นพระอย่างนี้นะหลวงพ่อเองก็ยังบอกเออเอเราก็ประวัลนาในหมู่ในคณะเนี่ยเยเมื่อออกพรรษาเนี่ยออสร้างคำอาวุสาโสประวารีมิ่งออข้าพเจ้าขอป ร, ประวัลนาต่อส่งถ้าหากพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทําของผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ผมคิดว่าหลวงพ่ออินคิดผิด เป็นมิจฉาทิฏฐิและในใจสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกท่านทั้งหลายเตือนว่ากล่าวตักเตือนโู้เห็นมิพินในตรงไหนที่ย่อย่อนที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนแนะนำํำผมได้นะอันนี้ก็คือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาคล้ายๆว่ามันมองบางทีบางสิ่งบางอย่างอาจจะมองตนเองไม่เห็นแต่คนอื่นมองเห็น เพราะนั้นถ้าท่านจึงให้ปรวรณาในสงฆ์ให้พระสงฆ์เป็นผู้ว่ากล่าวเพราะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อ ย, ยอมรับในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านมองกว้างไกลจริงๆแต่ทุกวันนี้โดยมากยังไม่เป็นอย่างนั้นถ้าพอเขาตำหนิสิ่งที่มันไม่ดีสำหรับเราเราก็โดยมากกบโมโหโกท้ทายคนอื่นเขา แต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อคิดนะเออเวลาเขาติติงมาหลวงพ่อเอ๊ะเราเนี่ยอาจจะมองเราไม่เห็นมั้งแต่ไม่น่าจะผิดหน้าแต่พวกท่านทั้งหลายที่อยู่ข้างๆหลวงพ่อเนี่ยที่เขาติดติงมาอย่างนี้เป็นยังไงเออมันมันผิดแล้วมันถูกเออเพราะว่าบางทีบางเสียงบางอย่างหลวงพ่ออาจจะมองไม่เห็นตัวเองเออบางทีอาจจะเออ หยองพองตั ว, ตวลืมตัวเองแต่ว่าให้พวกท่านทั้งหลายดูสิลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อมองโลกวัตะสงสารแล้วมองสาธารณชนมองทุกหมู่ทุกเหล่าอให้มองเหมือนกับพี่น้องแต่ถ้าคำว่าผู้ใดดูแล้วมองดูแล้ว ไม่มีไม่เข้าในศีลละธรรมจริยธรรมที่ดีอันนั้นเราก็ต้องมองอีกเหมือนกันนะ อ, อ, อย่างที่หลวงตาท่านเคยพูดหลงตามหาบวชท่านเคยพูดถ้าเขาท้าวาใครก็ตามแสดงความซื่อสัตย์สุดจริตกับเราเราก็ต้องแสดงความสุดจริต เ, เราจะไปใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเขาไม่ได้เราไปเอาเปรียบเขามันไม่ถูกแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามมาใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงกับเรา เราจะไปใช้สื่อบื้อความโง่มันก็ไม่ได้เราเสียเปรียบเขาเราก็ต้องมีชั้นเชิงเลี่ยมกับคนที่เขามาใช้ชั้นเชิงกับเลี่ยมกับเราเร า, เาต้องมีปัญญาต้องดูต้องรู้ต้องให้รอบคอบ น, นี่หลักธรรมคาสอนอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อนะหลวงตาในท่านสอนหลวงพ่อเนีนน่ยท่านสอนลักษณะอย่างนี้นะคล้ายๆกับว่ายิาก่กีเลศ อย่ามาเอาเปรียบทมอย่าไปหาเสียเปรียบกิเลสมากก็ไม่ได้แต่ตามไม่จริงบางสิ่งบางอย่างทมก็ต้องยอมการเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตาอย่างนั้นทางบางสิ่งบางบางครั้งก็ยอมเหมือนกันนะคือว่าถ้าไม่ยอมเสียเปรียบจะเลย เ, เหมือนกับเราขาดเมตตาเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องยอมการเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตา ทั้งที่รู้ทั้งรู้เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่จะไปเอา เ, เอาเปียบเด็กตลอดก็ไม่ได้บางทีเราก็เอเอรู้ว่าเด็กมันจะเอาเปียบเร า, เ, าเราก็ยอมเสียเปียบมันซะให้มันเรื่องมันจบจบไปอย่างนี้มันก็มีมันกันนะคณะะ า, าจารยโยมมันนี่สรุปแล้วก็คือสอนจริยธรรมคือความประพฤต์ไปเอาเปียบเขาตลอดก็ไม่ได้เสียเปียบเขาตลอดก็ไม่ได้เพราะนั้นพวกเราต้อง ใช้ดุลยพินิษใช้จติตใช้ปัญญาของพวกเรานะ่ะอยู่ในโลกเนี่ยมันมีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมมากมายหลายอย่างเือเกินถ้าพูดเขาพูดขึ้นมาเราจะไปเชื่อทีเดียวาปากบอทีเดียวก็ไม่ได้ถ้าเขาพูดขึ้นมาเราจะไปกัดเขี้ยวกัดคางใสเขาเลยมันก็ไม่ได้หูมีสองข้างต้องฟังฟังแล้วก็นามากันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผล เออมันได้อะไรมันเสียอะไรมันดีอะไรมันมีอะไรมันมีชั้นเชิงเลี่ยนเรียมอะไรมันมีการสอนเลนเรื่องอะไรอยู่ในนั้นเออมันจึงเป็นอย่างนี้มันมีเหตุยังไงมันจึงมีผลอย่างนี้มันมีผลอย่างนี้มันมีเหตุมาอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลทางนั้นแหละสรุปแล้วนะเอ่อมีเหตุซะก่อนจะค่อยมีผล เหตุดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วแต่บางทีเขาเอาเหตุเหตุมันไม่ดีแต่ซ่อนไว้ซ่องซ่อนเงื่อนไว้กิเลสมันซ่อนเงื่อนไว้มันก็ปล่อยออกมาทําท่าเป็นผลดีพูดออกมามีแต่เรื่องดีๆแต่ที่แท้นะโหเหมือนกับเราเหมือนกับคนเอาเออเอาเหยื่อไปใส่ปลาลใส่เบ็ดอย่างนั้นแหะเฮเอาปลาไปล่ออย่างนั้นนะเฮ้ ทแท้มันมีเบ็ดอยู่ข้างในอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะเพราะฉนั้นโลกกว่านี้มันจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้จะต้องใช้สติใช้ปัญญาทุกอย่างนะที่เท่าที่มีสําหรับเรานทะ่าวากรรมเรามีเราก็เออเป็นยังไงเราต้องใช้กรรมตัวเองเคยทํากับเขามามั่งในอดีตเราก็ต้องวางต้องต้องปร่งตกเหมือนกันนะแต่ถ้าว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องดูใช้สติใช้ปัญญา ของพวกเราให้รอบครอบนะการอยู่ในโลกนะต่อนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรวันนี้ก็ให้แนวความคิดสําหรับความนรัตธาญาตโยมลูกหลานผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพอ่อหลวงพ่อจะให้แนวความคิดเรื่องศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมสําหรับพวกเราเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้นะ